ฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปลไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดไม่มีซ้มตัวเดิมเลยสักวันที่สืบสืบ่อต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นทุกตัวเดียวกันและสำคัญว่าจะเป็นทุกตลอดไปเท่านั้นดับความเข้าใจผิดเสียได้ ความทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเดียวนั้นเองพ่อครับทำไมคุณตาถึง ต, งต้องตายด้วยอ่ะครับเป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนนะลูกถึงเวลาตายก็ต้องตายออสก็ต้องตายอะครับต้องตายเหมือนกันแต่ออสยังเด็กอยู่กว่าจะแก่และถึงเวลาตายเท่าคุณตายังอีกนาน แล้วเมื่อไหร่คุณตายจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโรงตั้งหลายวันแล้วถ้าตายก็ไม่ตื่นและ้ว ล, ะลูกต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไปตัวลงต้องตายทุกคนเลยอะครับใช่ลูกเป็นอย่างนั้นคนทุกคนที่ลูกเห็นจะต้องตายกันหมดพ่อครับทำไมทุกคนต้องตายด้วยอะครับออสเพิ่งเคยเห็นคนตายนะลูกความตายเลยเป็นของแปลกใหม่ ต่อไปออสจะเห็นคนตายมากขึ้นแล้วลูกจะรู้ว่าเป็นของธรรมดาออสดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิเห็นไหมตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแต่ก่อนมันเป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนะพอถึงเวลามันก็ต้องทิ้งตัวเองลงจากกิ่งก้านมารวมกันบนพื้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองร่างกายคนเราก็เหมือนกันวันนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวา แต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลงแล้วหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ตกพื้นคนเหมือนใบไม้ได้ยงไงแล้วทำไมคนต้องตายด้วยอะครับเพราะเหมือนใบไม้ไงลูกวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นลงดินและกลายเป็นพวกเดียวกับดินไม่มีใครกำหนดหรอกว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีสภาพที่ต้องเสื่อมสลายกลายเป็นอื่นไปทั้งนั้นคุณตารู้ตัวไหมว่าจะตาย รู้สิคุณตารู้ล่วงหน้านานทีเดียวเตรียมตัวยกสมบัติให้แม่ของออสตั้งแต่อสยังไม่เกิดนะลูกก่อนตายแล้วทําไมคุณตาไม่หนีอ่ะจะไปหนียังไงล่ะลูกเอ้ยถ้าโจรมาไล่ฆ่าเราเราอาจใช้สองเท้า ว, วิ่งหนีได้แต่ถ้าร่างกายจะฆ่าตัวเองแม้แต่เท้าก็ยกไปไหนไม่ไหวแล้วถ้าคนเราต้องตายแล้วจะเกิดมาทําไมอะครับ เพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ไงลูกคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนอย่างที่ลูกออสถามพ่อเพื่อให้รู้คำตอบอยู่นี่ไงถ้ายังติดค้างยังไม่รู้แจ้งก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีกคนเราเกิดมาเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ฉันเฝ้าเก็บงำความสนใจและสงสัยใครรู้คำตอบ ว่าชีวิตเราควรรู้อะไรมากที่สุดไว้ในใจแล้วโอกาสก็มาถึงในงานวันเผาคุณตาน้องออสบรรยากาศในวัดทำให้ฉันไม่รู้สึกกระดากนักกับการกระแทกเข้าไปถามโดยเกริ่นตามตรงว่าฉันเคยได้ยินแกตอบคำถามลูกเสมอและบางคำตอบน่าสนใจมากเช่นคนเราเกิดมา เพราะติดค้างอยู่กับความไม่รู้เลยต้องมาเรียนรู้ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าที่มีรู้นั้นคืออะไรแล้วที่ควรรู้นั้นคืออะไรมนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไรคุณพ่อน้องออสตอบด้วยความมั่นใจว่าได้รู้ด้วยตนเองว่าหมดความติดค้าง เหมือนคนที่ชําระหนี้หมดไม่จําเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่มหรือเหมือนคนที่ทํางานใช้โทษในบ่อน้ําครามจบสิ้นแล้วไม่จําเป็นต้องกลับมาลงน้ำโสโครกอีกกับคําถามว่าต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองให้ละเอียดละออทุกแง่มุมเลยไหมเพื่อนบ้านผู้ทรงภูมิให้คําตอบคือรู้นิดเดียวครับไม่ต้องมากหรอกคือรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของใครเพียงมีอะไรมาประกอบประชุมเป็นรูปเป็นร่างชั่วคราวคล้ายแผ่นเหล็กล้อยางเครื่องยนต์เข้ามารวมรูปร่างเป็นรถเก๋งแต่พอหมดอายุก็ถูกถอดเป็นชิ้นชิ้นแบบต่างคนต่างไปมองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีกใจฉัน ว, ว่างไปชั่วขณะ เมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึ้งเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อคือสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยังครูทางธรรมคนแรกของฉันก็ตอบว่าไม่พอหรอกครับรู้แค่นี้เรียกว่าเป็นปัญญาจากการฟังและปัญญาจากการจินตนาการตาม ยังเป็นปัญญาในระดับคิ ด, คดไม่ใช่ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งด้วยจิตฉันจึงถามว่าทําอย่างไรจะรู้แจ้งได้ด้วยจิตต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ครับคือเราย้ายที่ตั้งของสติจากการงานและการเล่นในชีวิตประจําวันเปลี่ยนมาเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งคือกายใจนี้คอยตามระลึกรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเห็นชัดว่าอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง เช่นลมหายใจหรืออารมณ์สุขทุกมีธรรมดาเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาแม้แต่ความลังเลสงสัยอยากรู้คำตอบของน้องในเวลานี้ก็มีขณะของการเกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบก็จะดับลงเช่นกันหรือถ้ายังสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรนไปอาจอ่อนตัวลงหรือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอ จิตเลิกยึดมั่นสำคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นนั้นเที่ยงเลิกหลงขลาวว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเพราะเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้าจิตก็ขาดจากอุปาทานที่ครอบงา ม, มาแต่อ้อนแต่ออกเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนาฉันยิงคำถามถัดมาคือจะทราบได้อย่างไร ว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้แล้วหรือยังวาระนั้นอะไรจะเป็นตัวบอกว่าเราไปถึงแก่นของพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสาคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทําความรู้จักแก่นให้ดีซก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้าน ลาบและสัรเสรินเปรียบเหมือนกิ่งไม้ศีลเปรียบเหมือนสเก็ดสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกยานอย่างรู้ต่างๆเปรียบเหมือนกระพีแต่แกนสารที่แท้จริงคือความหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกำเริบอีกสรุปคือถ้าเรายังไม่รู้จักภาวะของใจที่หลุดพ้นเด็ดขาดก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้ เหมือนสายน้ำที่ประทะใจคลื่นโครมดวงตาฉันตื่นเต็มกับคำว่าความหลุดพ้นแห่งใจแบบไม่กลับกําเริบอีกคือแก่นสารที่แท้จริงชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาทจะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์มัจจุราชมักมาถึงตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าถ้าวันนี้ยังมีกำลังก็ควรทำกิจที่คิดว่าควรทาที่สุด ทำแล้วคุ้มกับการเกิดมากที่สุดเพื่อจะไม่เสียใจในภายหลังว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ใช้โอกาสทองให้คุ้มค่าจากการศึกษาเรื่องกรรมอย่างละเอียดฉันเชื่อว่านิสัยเป็นสิ่งติดตัวข้ามพบข้ามชาติมนุษย์เป็นภูมิมีศักยภาพในการสร้างนิสัยสั่งสมไว้อย่างไรก็ได้สมบัติติดตัวไปสร้างตนอย่างนั้น ในิสัยที่ฉันจะสร้างต่อไปนี้คือเชื่อพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดเหมือนทุกคำเป็นทองที่ไม่อาจปล่อยปละให้ตกหลน่นกรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิมอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันฉันปรงใจเชื่อว่าสร้างในิสัยไว้อย่างนี้เป็นอาจิน หรือที่เรียกว่าอาจินกรรมหากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์อาจินตกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ย่อมส่งให้ไปเกิดกับพ่อแม่แบบนี้มีเหตุปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กส่งเสริมให้เข้าลู่ทางของความเป็นเช่นนี้รวมทั้งมีกำลังกายและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเพียรเพื่อหลุดพ้นอย่างเอาจริงเอาจังเช่นนี้อีกเนื้อหาสาคัญของพุทธศาสนาในสายตาของฉันนั้น ต้นสุดคือให้มาเอาไม่ใช่มาทิ้งแต่ยอดสุดคือให้ไปทิ้งไม่ใช่ไปเอาเบื้องต้นพุทธศาสนาให้มาเอาอะไรให้มาเอาบุญเพื่อให้ตาสว่างเห็นความจริงยิ่งบุญมากเท่าไหร่จิตยิ่งต้องเห็นความจริงชัดขึ้นเท่านั้นเบื้องปลายพุทธศาสนาให้ไปทิ้งอะไรให้ไปทิ้งความยึดมั่นถือมั่นด้วยมรรคา คือทางที่พระพุทธองค์ปูไว้ให้แล้วพร้อมสับเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อเอาแต่เพื่อทิ้งทิ้งอะไรดูดีๆแล้วก็คือทิ้งทุกทิ้งสัมภาระพรุงพรังทั้งปวงนั่นเองคนเราพากันห่วงทุกไว้กอดทุก์ไว้แนบอกแบกทุกไว้หลังแอนยังไม่รู้ตัวมีคนบอกให้ทิ้งยังร้องอีกว่าเรื่องอะไรจะทิ้ง หรืออย่างดีก็ถามว่าทำไมต้องทิ้งมองไม่เห็นเหตุผลสมควรเลยเวลาคนเราทุกข์หนักก็มักปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่านความทุกข์นั้นๆไปได้เพลอะ อ, อาจทึกทักว่าวันเวลาที่เหลือทั้งชีวิตคงต้องจมปลักอยู่อย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วถ้าหยุดเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ทางใจเข้าไปความทุกข์ก็จะแสดงความไม่เที่ยง ไม่อาจตั้งอยู่ได้เกือบทันทีเหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นก็คืออาการครุ่นคิดซ้ำซากนั่นเองเพียงแทรู้ด้วยสติเห็นตามจริงว่าอาการครุ่นคิดซ้ำซากก็แค่ของจรเข้ามาไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจและไม่อาจคงสภาพคิดคิดได้ตลอดโดยไม่แปรรวนไปเป็นระดับอ่อนแก่ต่างๆเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ถูกจับไล่ได้ทัน ถูกแทรกแซงถูกแทนที่แล้ว